แต่สรุปอริยศัสตร์แสดงให้เห็นชัดว่าทุกอย่างพระพุทธเจ้ามาแต่สรุปหมดเลยเนี่ยมองแค่นี้ง่ายมองแค่ไหมถ้าคิดอย่างนี้จะจะไม่ยากพระพระเทเรไม่ตำหนิเนาะตำหนิวศักดไม่ตำหนินะเออดีแล้วดีแล้ว <c oughs> ตำหนิไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ยอมนวนจะบอกอ๋อปฏิตราชเทศทีนี้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 ตัศรุอวิชชาสมุทัยยะคือเหตุหรือตัณหาที่เป็นเหตุให้อวิชชาเกิดโดยความเป็นเป็นสมุทัยยะสัจจะตัศรุอวิชานิโรธะก็คือความไม่เป็นไปของตัณหาและก็อวิชชาทั้งสองนั้นเป็นนิโรธาสัจจะตัศรุอวิชายะนิโรธคามินีปฏิปทานก็คือว่าตัศรุอริยมรรค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 จนลังเกียจแม้กระทั่งบัญญาให้สังเกตนะพินญาญาธรรมธรรมที่ควรรู้ยิ่งหรือญาญาธรรมห้านั่นหะตัดสรุปญายธรรมหตัดสรุปญาญธรรมหก็มีอะไรสังขารสังขารก็ได้แก่สังธรรมนั่นเองธรรมที่มีปัจจัยบุงแดงนะแต่สังขารในที่นั้นเอาสังขารยังไงเอ้าเอาเอาที่จริง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 พระเถรคาถาจารย์ท่านเฉลยบอกว่าเพื่อจะพารนาคุณแห่งอาสวะขย้ายานอันกระทำการละกิเลส ท, ทั้งหมดอันให้พุทธคุณทั้งปวงพระเถรคาถาจารย์ก็บอกว่าคําว่าพุทโธเนี่ยคือพระพุทธเจา้าเพื่อจะพารนาคุณแห่งสัพพัญญุตยานันเป็นไปแล้วในธรรมที่ควรรู้สิ่งทั้งสิน้นและท่านก็กล่าวต่อไปว่าสัมมาสัมพุทโธจัตสรู้ด้วยพระ อ, องค์เองโดยชอบ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 ถ้าพุทธ า, าย่าไม่รู้ป๊อปๆจะป๊อปๆมัพระองค์อาจจะหยุดเลยก็ได้ใช่ไหมแล้วสกิดเอี่ใครนั่งเมื่อกี้หลับหรือเปล่าอะไรพวกนี้นะแต่พุทธย่าคนฟังเสียงพุทธยาาไม่มีหลับแต่ฟังเสียงันตมมาลหลับเยอะตรงนี้ก็นี่คือสัรพยุตยานเพราะต า, าคตรู้ทำทั้งเป็นที่อดีตทั้งปวงนะสัพดิญา น, นี่รู้อดีตทั้งหมดหม รู้ทั้งหมดที่เป็นชื่อว่านาวรายานเพราะไม่มีอะไรขีดขวางในพยานนั้นเลยคิดอดีตปุ๊บก็ไม่มีอะไรมาขวางเอะอย่างเรามีมไหมเยอะไหมเยอะเยอะมากเลยคิดไม่ออกเลยใช่ไหมซาภริยานเนี่ยเวลาจะตะถาเปเพราะพระตะถาคตรู้ธรรมในส่วนอดีตทั้งพวงแล้วก็รู้ธรรมในส่วนของปัจจุบันทั้งพวงอนาวรา ย, าายานก็ไม่มีอะไรมาขีดขวางเอาปัจจุบันในรู้ทั้งหมดไหมไม่หมดหรอกรู้ใกล้ใกล้แค่นี้ย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 แล้วรู้ถึงกระแสจิตของสัตว์ด้วยว่ากำลังคิดอะไระคิดอะไรกันอยู่กำลังทำกรรมอะไ ร, อ, ะไรอยู่รู้ขนาดละเอียดละหอมมากอยากได้ไหมละ่ะยี่สิบปอร์สงค์ไขสนใจัหม <c oughs> ใช่ไหมไม่ธรรมดาเนะใช่ไหมนี่ยี่สิบปอร์สง็์แต่เวลาท่านนะัเวลาท่านตรวจเนี่ยท่านตรวจอย่างเงี้ยใช่ไหมตรวจดูขั น, านกายที่ไหนไปแล้ว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 นี่การจะตัดสู้เป็นสัมมาสัมพุโิโธเนี่ยขนาดนั้น <c oughs> เราแค่จะตาเราอย่างเดียวก็เป็นที่ตั้งของโมหะอยู่ในหลงอยู่กันใช่ไหมเออแต่ก่อนเนะเรามองอุ๊ยเนี่ยไหมเรามองตาเราไม่เคยมองถึงโครงสร้างของตาเลยเราเห็นจกักรคูเราเรียนจกักรประสาสตร์กันมาแทบนตั้งนานใช่ไหมเราไม่เคยเรียนสัมปบาระจักขคูเราไม่เคยเห็นว่าจากักรคูมันเป็นทุกข์ยังไงเลย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 คำว่าสัมมาสัมพุทโธเนี่ยวิจัยเกลี้ยงหมดแล้วแล้วอย่างนี้ตัณหาจะเกิดไหมยมเดียนไม่เกิดเลยใช่ไหมบอกโ อ, โอโคนนั้นมองคอนอะคอนคอนไปที่ใช่ไหม <c oughs> เรารู้เนี่ยว่าการมองคอนเนี่ยไตาที่มีการมองค้อนแล้วก็ที่มันมีการกลิ้งไปกลิ้งมาเนี่ยกลิ้งไปกลิ้งมามีโทสะเนีโทสะเป็นตัวเป็นตัวคิดนะ่ะเป็นจิตตะเชูปไหม เมื่อจิตตชะลูปกาคือจิตตชะวาโยธาดพัดผันเนี่ยก็ทำให้ตานั้นมีการหมุนกลับไปกลับมาแล้วคอนกลับไปกลับมาที่มาเรียกสำนวนว่าคลอ น, นแล้วก็เห็นโอนี่เห็นไหมท่านบุญนี้ใช้ตาทำอากุศลกรรมอยู่แล้วโอ้โหปทุศลายตาตนเองแท้ถามว่ากรรมที่เราสร้างตาเขาไว้เนี่ยไม่รู้กี่ล้านกี่โกดดวงยวงตาที่เราทำเขาไว้เนี่ยพอปฏิสนธิใหม่เาก็มยายัดใส่ปึ๊บหนี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 แต่โดยมากเอาศุลกรรมแทบทั้งนะั้นในอดีตนี่เนี่ยเอาสิแต่เนี่ยมารอเลยเพอใกล้จะตายขึ้นมานะมาแล้วโรงงานใหญ่เบ้อเอรอนี่มาแล้วมาจัดสรรแล้วเสนอเลยอะเสนอตาเสนอหูเฉพอะฉมูกมาให้เยอะไหมเหนียวแบบนี้ไหมล่ะแบบมีเขาก็ได้ไให้มีมาหมดเพราะเราทำกรรมมาแทบทั้งนั้นเคยโกรธไหมล่ะ้โหเคยด ยิ่งโกรหนักกำก็หนักนะนุบอกเอา้าต้องการอยากจะลองสุดเสียงได้จัดให้ได้นุ่นลงเอเวจีก็ได้เลยยิ่งขนาดเอเวจียังท่านจัดให้นั่นแหละคือบอกว่าเขาเรียกเป็นเจ้ากรมใหญ่ตั้นหาเนี่เป็นเจ้ากรมใหญ่เป็นตัวผลิตชิ้นส่วนให้จดสรรให้จะเอาแบบมหาบุรุษก็ได้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 นั่นมายก็ออกจากวัตฏะออกจากคุกไม่ได้เนี่ยไงทําไมอยากออกแล้วออกไม่ได้ปัใจจัยในการที่จะออกมันไม่พอแล้วต้องรู้ต้องรู้ตัวเองแค่ไม่ใ ช, ใช่ว่าเราสั่งสมแค่ไหนอ่ะที่จะออกอะ่ะมันจะอยากอย่างเดียวได้ไงใช่ไหมปัจจัยคุณต้องพร้อมสิกขาสามบริบูรณ์หรือ ย, ยัง เรียนรู้เนี่ยนี่แหละเป็นปัจจัยแวดล้อมแก่การที่จะไปกระตุนต้นเตือนบารมีกระตุ้นเตือนโพธิปักญาธรรมกระตุน้นเตือนศีลสมาธิปรรัญญาจะได้สมาทานต่อเนื่องตั้งใจบ่อยๆนะั่นแหละทาไมาใช้สับปะตั้งใจบ่อยๆใช่ไหมตั้งใจบ่อยๆมันหลุดปุ๊บตั้งเดี๋ยวนั้นเลยหลุตั้งใหม่หลุดแล้วตั้งใหม่เดี๋ยวแข็งแรงใช่ไหมมันนสิกานบ่อยๆโยติโสมนาสิการบ่อ ย, ๆ, ย, นอย ๆ, ๆนะัๆๆๆๆ่เขาก็แข็งเลย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 ความแก่งอมของจักษุก็เป็นชราและจักษุมีโรคได้ไ้มนั่นเป็นพยาธิไหมและความมรณะการดับลงของจักขุปภาสาต์ก็เป็นมรณะเป็นที่ตั้งของโสกกปพิเทวาทุกขโทมนาสาตและอุปาญาตจริงๆสรุปก็คือว่าทุกสิบสองกองใช่ไหมสิบสามรวมทั้งเป็นอุปาทานขันนั่นเองรูปูปาทานขันโท